จเจรณนพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เนวันที่หตุลาคมพุทธศักราช25 5พเจเป็นวันที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาวัด เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลมาสร้างที่พึ่งทางใจงมาดูแลรักษาตัวเราตัวเราก็คือใจนี่เองใจก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกส่วนร่างกายนี้ไม่รู้ไม่มีความรู้สึกไม่ได้คิดชีวิตของเราส่วนใหญ่ เราถูกความหลงหลอกไปให้ดูแลผู้อื่นไม่ได้มาดูแลตัวเราเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลร่างกายและดูแลกิเลสตัณหาความโลภความอยากของเราเราเลยลืมมาดูแลตัวเราตัวเราก็คือใจ เราจึงไม่ค่อยมีความสุขใจมักจะมีความทุกข์ใจอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่ได้มาดูแลใจไม่ได้มาดูแลตัวเรานั่นเองถ้าเรามาดูแลตัวเรามาดูแลใจใจจะมีความสุขใจจะไม่มีความทุกข์ใจจะไม่มีความหิวจะไม่มีความอยาก เพราะความหิวความอยากไม่เกิดจากการที่เราไม่ได้มาให้สิ่งที่ใจต้องการนั่นเองทุกครั้งที่เราอยากเราไม่ได้อยากให้ใจแต่เราอยากให้ร่างกายอยากให้กิเลสตันหาเราไม่เคยคิดถึงใจของเรา เราไม่รู้ว่าใจของเราต้องการอะไรอะไรทำให้ใจอิ่มอะไรทำให้ใจสุขอะไรทำให้ใจสบายถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ความจริงของตัวเราเองไม่รู้วิธีการดูแลรักษาตัวเราเองให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ให้อยู่อย่างแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาให้เป็นแสงสว่านำทางให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับเวลากลางคืน ที่ไม่มีแสงสว่างเราจะไม่รู้ทางมองไม่เห็นทางเราจะไม่รู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเพราะความมืดทำให้เรามองไม่เห็นพอเราออกไปทำอะไรเราก็มักจะไปทำในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเราเช่นไปเหยียบงู ไปเดินชนเสาเดินชนต้นไม้ไปเดินตกลุมตกบ่อเพราะเราอยู่ในความมืดมองไม่เห็นสิ่งต่างๆแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเช่นมีไฟฉายส่องทางเราก็จะเห็นทางเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าถ้าเห็นต้นไม้หรือเห็นเสาเราก็เดินหลบได้ เห็นงูเราก็เดินเดกได้เห็นหลุมเห็นบ่อเราก็เดินข้างไปได้เพราะเรามีแสงเราเห็นสิ่งต่างๆเช่นเดียวกับใจของพวกเราที่เวลาไม่ได้มีพระพุทธศาสนามาเป็นแสงสว่างพวกเราก็จะอยู่ในความมืดบอดเราจะไม่รู้ว่าเราทำอะไร ส่วนใหญ่เรามักจะทำในสิ่งที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับตัวเราเรากลับไปทำคุณทำประโยชน์กับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเช่นร่างกายของเราหรือความอยากของเราที่ไม่ใช่เป็นตัวของเราและไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเรามากนักแต่กลับจะเป็นโทษกับเรามากกว่าเช่นร่างกาย พอเรามีร่างกายเราก็ต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายคอยหายใจคอยดื่มน้ำคอยรับประทานอาหารคอยอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวให้แต่การดูแลร่างกายไม่ได้ทำให้เรามีความสุขใจแต่อย่างใดกลับต้องมีความเครียดมีความทุกข์ กับการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายต้องมีอาหารต้องมีเครื่องนุ่งหม่มต้องมียารักษาโรคต้องมีที่อยู่อาศัย <c oughs> เราดูแลร่างกายแต่ใจของเรานี้กลับต้องทุกข์ยากลำบากวุ่นวายไปกับการดูแลรักษาร่างกายแล้วร่างกายนี้ ไม่ว่าเราจะรักษาให้ดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็ต้องตายไปเราก็ไม่ได้อะไรจากร่างกายได้เป็นที่พึ่งชั่วคราวเท่านั้นเองเพื่อทำตามความอยากของเราเราอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานเราก็ต้องมีร่างกาย เราถึงจะดูจะฟังจะดึ่มจะรับประทานจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามความอยากของเราแต่ความสุขที่เราได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขชั่วปรเดียวปดาวเหมือนควันไฟที่จะจางหายไปปล่อยให้เรามีความอ้างว้างเปล่าเปล่าปล่อยให้เราเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ เพราะเราอยากจะมีความสุขเรื่อยๆอยากจะมีความสุขนานๆและความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวจึงต้องทำให้เราต้องคอยหาความสุขมาเติมอยู่เรื่อยๆเติมไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มมันพอเพราะเป็นเหมือนกับเติมน้าเข้าไปในตุงที่มีรอยรั่ว ตุมที่มีรอยรั่วนี้ถ้าเราเติมเข้าไปให้เต็มตุม่เดี๋ยวทิ้งไว้สักรยนะยะหนึ่งรอยรั่วน้ำก็จะไหลออกจากทางรอยรั่วเพิ่ไปแป๊เดียวน้ำก็แห้งหมดตุ่มไปนี่คือลักษณะของการที่เราเติมความสุขด้วยการกระทาตามความอยากเราไม่รู้จักวิธีเติมความสุขให้กับใจของเรา ที่จะได้ไม่ต้องมาคอยเติมอยู่เรื่อ ย, อยมีพระพุทธเจ้าที่รู้ความจริงรู้ว่าใจของเรานี้มีรอยรั่วและวิธีที่จะรักษาหรือเติมความสุขให้แบบเต็มแล้วก็ไม่มีวันพร่องก็คือเราต้องมาอุดรอยรั่วกันรอยรั่วของใจคืออะไร ก็คือความอยากต่างๆนี่มีอยู่สามข้อด้วยกันคือความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเราไปเที่ยวกันนี่ก็เป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ ม, ม, ม, มชนิดต่างๆอันนี้ก็เป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือการแต่งเนื้อแต่งตัว หรือการไปหาความสุขกับพวกมหรสุขบันเทิงต่างๆอันนี้ก็เป็นการหาความสุขหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องหาอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าว่าวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่มีวันหมดก็ให้เราอุดรอยรั่วนีอย่าไปทำตามความอยาก อย่าไปอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็เป็นข้อหนึง่งอีกข้อหนึ่งก็คืออย่าไปอยากมีอยากเป็นเป็นธรรมดาอย่างเราอย่างนี้พอแล้วเป็นอะไรก็พอแล้วเป็นหญิงเป็นชายก็พอแล้วไม่ต้องไปเป็นใหญ่เป็นโตไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่ทำให้เกิดความสุขที่ถาวรจะทำให้เกิดความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ตอนต้นก็อยากเป็นผู้ใหญ่บ้างพอเป็นผู้ใหญ่บ้างก็อยากจะเป็นกำนันเป็นกำนันก็อยากจะเป็นผู้ว่าเป็นสสเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนแล้วก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีแล้วก็อยากจะเป็นนายกเป็นนายกแล้วก็อยากจะเป็นประธานาธิปดีนี่คือความอยากมันจะไม่มีวัน เป็นประธานาธิบดีหรือเป็นนายกแล้วก็ขอเป็นนา น, านไม่ยอมลงจากตำแหน่งเวลาลงจากตำแหน่งก็เสีย อ, อกเสียใจความสุขที่ได้ก็หายไปหมดนี่แหละคือโทษของความอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมีอยากเป็นอีกข้อหนึ่งก็คืออยากไปอยากไม่มีอยากไม่เป็น เราเป็นอะไรเรามีอะไรขอให้เราทำใจพอใจเราจะได้ไม่ต้องดิน้นรนถ้าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีที่เราเป็นเราจะคอยต้องดิ้นรนอยู่เรื่อยๆเช่นเราไม่มีเราไม่รวยเราอยากจะรวยก็อยากจะรวยเราก็ต้องดิน้นรนอยากจะหนีความไม่รวยก็ต้องไปดิน้นรน เวลาเราแก่เราอยากจะหนีความแก่เราก็ต้องดิ้นรนเราก็ต้องไปทำวิธีตกแต่งร่างกายให้มันดูสาวให้มันดูหนุ่มเหมือนเมื่อก่อนนี้ทั้งท่าที่มันแก่แล้วหรือว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็อยากจะดิ้นหนีมันเวลาเราจะตายก็จะดิ้นหนีมัน การดิ้นนี้มันนี่แหละมันเป็นทุกขทรมานใจถ้าเราทำใจเฉยๆอยู่กับมันไปอยู่กับความแก่ไปอยู่กับความไม่รวยไปอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไปอยู่กับความตายไปใจของเราจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ต้องไปดูแลมันไม่ต้องไปยุ่งกับมัน พอดูแลอย่างไรยุ่งกับมันอย่างไรก็รักษามันไว้ไม่ได้ห้ามมันไว้ไม่ได้ร่างกายในที่สุดมันต้องแก่เจ็บตายไปแต่เราไม่ได้ตายเราทำไมต้องไปวุ่นวายกับมันเพราะเราไม่รู้จักตัวเราที่แท้จริงว่าเป็นใครนั่นเองเราถูกความมืดบ่าหลอกให้เราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรา ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเป็นของเราเราเลยต้องมาทุกข์มาวุ่นวายกับการมาดูแลรักษาตัวเรารักษาร่างกายรักษาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองรักษาสิ่งที่เรารักรักษาคนที่เรารักแต่รักษาอย่างไรงก็รักษาไว้ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องตายจากเราไปหมด และหรือไม่เช่นนั้นเราก็ตายจากเขาไปเพราะนี่คือความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆหรือบุคคลต่างๆรวมทั้งเวรัฉานก็ต้องมีการจบมีการตายนั้นเวลาเรามาทุ่มเทเวลาของเราทุ่มเทความทุกข์ยากลบาบากของเรา ให้กับสิ่งที่มันไม่อยู่กับเรามันจะต้องจากเราไปทาไมทำไมเราไม่มาทุ่มเทเวลามาดูแลกับสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดก็คือมาดูแลใจของเราด้วยการมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราวิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้อยู่สามขั้นตอนด้วยกัน ขั้นตอนที่หนึ่งก็ให้เราทำบุญทำทานขั้นตอนที่สองก็ให้รักษาศีลขั้นตอนที่สามก็ให้ทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดเรียกว่าภาวนาถ้าเราสามารถปฏิบัติสมขั้นตอนนี้ได้เราจะอุดรอยรั่วของใจได้อุดรอยรั่วของตุ่มน้ำได้ พอไม่มีรอยรั่วแล้วน้ำที่อยู่ในตุ่นก็จะไม่มีวันพร่องจะไม่มีวันหมดนี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามากระทำกันอย่างที่ญาติโยมมาทมําบุญในวันนี้ก็เพื่อมาอุดรอยรั่วของใจเพื่อจะได้รักษาความสุขที่เราได้ทาเอาไวน้นี้ให้คงอยู่กับเราไปตลอดความสุขก็คือการทำทานนี้ เราทำทานเราได้ความสุขและเราได้ผุดรอยรั่วด้วยพร้อมๆกันไปเหมือนกับเติมน้ําแล้วก็มาอุดรอยรั่วทานนี้เป็นอย่างไรถึงเรียกว่ามาอุดรอยรั่วเพราะเราทำทานเพื่อตัดความอยากหยุดความอยากเช่นสมมติว่าเราวันนี้มีเงินมาทําทานทําบุญถ้าเราเกิดความอยากไปเที่ยวหรืออยากจะไป หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแทนที่เราจะเอาเงินมาทําบุญเราก็จะเอาเงินไปเที่ยวแทนไปทําตามความอยากแทนเราก็จะได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วพอกลับบ้านเราก็จะเกิดความอยากออกไปเที่ยวใหม่อีกแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้มาทําบุญมาซื้ออาหารมาซื้อข้าวของถวายพระ เราก็จะตัดความอยากไปเที่ยวได้ไม่ทําตามความอยากไปเที่ยวแล้วเราก็จะได้ความสุขจากการทำบุญได้ความอิ่มใจได้ความสุขใจและได้อดรอยรั่วคือความอยากไปเที่ยวพอเรากลับบ้านเราก็ยังจะมีความสุขใจอิ่มใจอยู่ในใจของเราเราจะไม่รู้สึกงุดหยิดลำคานใจ ถ้าเราไม่ได้ออกไปเที่ยวนี่คือวิธีการหยุดความอยากในขั้นทานก็คือการทำตามความอยากเพื่อหาความสุขด้วยการใช้เงินทองไปเที่ยวก็ดีไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ดีซื้อของที่ไม่จำเป็นที่ที่สำหรับใช้ในการดำรงชีพ ซื้อมาแล้วเดียวเดียวความสุขที่ได้มาจากซื้อของเหล่านั้นก็หายไปซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้อมือถือซื้อเครื่องเล่นเครื่องอะไรต่างๆเครื่องประดับประดามีเต็มบ้านน้่นบ้านไปหมดแล้วความสุขที่ได้มาจากซื้อของเหล่านั้นมันอยู่ตรงไหนมันหายไปหมดแล้วมันมีแต่ความอยากจะซื้อเพิ่มขึ้นใหม่ และวเวลาอยากซื้อแล้วไม่ได้ซื้อทำอยังไงก็ซื้อแบบเงินผ่อนซื้อเงินผ่อนพอซื้อเงินผ่อนไปมากๆไม่มีปัญญาจ่ายก็สร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับตัวเองนี่แหละเป็นเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขไม่ใช่เป็นการดูแลตัวเราถ้าเป็นการดูแลตัวเรา เราต้องมีขอบมีเขตในการใช้จ่ายเงินทองเราต้องใช้จ่ายเงินทองเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆเช่นอาหารหมดไปซื้ออาหารอย่างนี้เสื้อผ้าขาดของเก่ามีอยู่ใส่ไม่ได้แล้วไปซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือรองเท้าขาดกระเป๋าขาดใช้ไม่ได้แล้วค่อยไปซื้อใหม่ไม่ใช่ของเก่าก็ยังดีอยู่ยังใหม่อยู่ ซื้อมาไม่ได้กี่วันใส่ไม่ได้กี่ครั้งก็อยากจะไปซื้อใหม่แล้วถ้าเราไม่มีเหตุมีผลกับการจับจ่ายใช้เงินทองเดี๋ยวเราก็จะต้องเดือดร้อนเพราะเงินทองจะไม่พอใช่พอไม่พอใช้เราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็ยิ่งไปสร้างความทุกข์เพิ่มมากขึ้น ว่าเวลาเราไปกู้นี่ยืมสินเรแล้วเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปใช้เขาอีกเดี๋ยวก็ต้องถูกเจ้าหนี้มาคอยทวงนี่มาคอยด่ามาคอยว่าและถ้าไปเจอเจ้าหนี้ที่ร้ายกาจโหดร้ายก็อาจจะมาทำร้ายร่างกายเราหรือถึงกับฆ่าเราก็ได้เพราะว่าเราไม่ใช้หนี้เขาเขาคิดว่าเราจะโกงเขาเขาก็ต้องอ ขู่เราทำโทษเราหรือในที่สุดก็ทำร้ายเราถ้าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเอาเงินที่เรายืมไปคืนเขาได้แต่ถ้าเรารู้จักหักห้ามจิตใจใช้เหตุใช้ผลถ้าอยากจะซื้อเสื้อผ้าก็ดูในตู้ก่อนว่ามันมันไม่มีใสหรืออย่างไรซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้ออะไรต่างๆ ที่เราอยากได้ดูว่ามันมีอยู่หรือเปล่าของเก่าใช้ได้อยู่หรือเปล่าถ้ายังใช้ได้อย่าไปซื้อมันแล้วเราจะได้มีเงินทองเก็บเอาไว้เพราะในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรหรือเปล่าแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตกทุกข์ได้ยากตกงานาหาแล้วไม่มีรายได้เข้ามาเราจะทำอย่างไร แต่ถ้าเรารู้จักใช้เงินใช้ทองรู้จักอดจักออมรู้จักเก็บเอาไว้หรือเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปเพิ่มเงินขึ้นมาไปต่อเงินเนะช่นเอาเงินไปลงทุนอย่างน้อยไปฝากธนาคารก็ยังได้ดอกได้เบี้ยรนะหรือถ้าเราฉลาดเราไปลงทุนเอาไปทํามาค้าขายนะเราก็จะต่อเงินเพิ่มเงินให้มีมากขึ้น เมื่อเรามีเงินมากขึ้นเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการที่จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องมาทุกข์กับการไม่มีเงินใช้นี่หลคือวิธีที่เราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเราต้องรู้จักการใช้เงินใช้เงินให้ถูกใช้เงินให้ถูกก็คือเอาเงินไปทำบุญถ้าเรามีเหลือ ถ้าไม่มีเหลือไม่พอทำบุญไม่ต้องทำก็ได้อันนี้การทำบุญนี้มีไว้สำหรับผู้ที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วแทนที่จะเอาไปใช้ตามความอยากก็ให้เอามาใช้ต้านความอยากเอามาใช้ทำลายความอยากเช่นตอนนี้มีมือถือรุ่นใหม่ออกมา รุ่นเก่ายังดีอยู่ก็อย่าไปซื้อมาเอาเงินที่จะไปซื้อรุ่นใหม่นี้ไปทาทานแทนทํากับใครก็ได้ไม่ต้องทํากับวัดก็ได้ทํากับใครก็ได้ความสุขเหมือนกันทํากับใครก็หยุดความอยากได้เหมือนกันอุดรอยรั่วของใจได้เหมือนกันเราชอบทํากับใครก็ไปทํากับบุคคลนั้นชอบทํากับคนแก่คนชรา ชอบทำกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบทากับเด็กนักเรียนก็ไปทาได้รือทํากับคนที่เราอยู่ใกล้ก่อนก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ก็ได้แทนที่จะมาขอเงินพ่อแม่อยู่เรื่อยๆเราเอาเงินมาให้พ่อแม่บ้างเป็นอย่างไรถึงแม่พ่อแม่จะไม่ต้องการแต่เราให้ไปเราก็ได้บุญได้ความสุขใจเราได้ยับยั้ง ความอยากที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเป็นคนประหยัด บ, บัตยัดเราจะไม่ฟุ่งเฟอเห่อเหิงแล้วเราจะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วเราจะมีความสุขใจนี่คือการดูแลตัวเราดูแลใจของเราให้มีความสุข ในระดับการทำทานในระดับที่สองที่สอนให้ทำก็คือให้เราหยุดความอยากที่จะไปทำร้ายผู้อื่นเช่นไปฆ่าผู้อื่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปประพฤติผิดประเวณีไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นหรือไมปดื่มสุรายาเมาแล้วก็ เกิดอาการมึนเมาไม่สามารถที่จะประครับประคองกิิยาอาการของตนได้ก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าเราฝืนความอยากเหล่านี้ได้อยากฆ่าอยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดประเวณีอยากพูดปดอยากเสพสุรายาเมาได้เราก็จะอุดรอยรั่วเอกตัวหนึ่งคือถ้าทาให้เราไม่ต้องไปมี ปัญหากับผู้อื่นจะทำให้เราไม่มีเรื่องวุ่นวายใจก็เพราะเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะก็เท่ากับถ้าทำให้เรามีความสุขมีความสบายใจนะคนที่รักษาศีลได้กับคนที่รักษาศีลไม่ได้นี้จิตใจจะต่างกันจิตใจของคนที่รักษาศีลได้นี้จะเย็นจะสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่วิตกกังวล แต่คนที่รักษาศีลไม่ได้นี้จิตใจจะทุกขจะวุ่นวายจะหว า, วาดภวะหวาดกลัวกับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําที่ไม่ดีของตนนี่คือวิธีหยุดความอยากขั้นที่สองก็คือหยุดการกระทําที่เป็นโทษกับเราเหมือนกับการเอาค้อนมาทุบศรีรษะเราเวลาค้อนทุบศรีรษะเราเป็นอย่างไร สีสะก็แตกนะสิแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังเอาคอนมาทุบสีษะของเราเราก็คือใจนี่เองใจนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายเรามองไม่เห็นไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ใจก็ถูกคอนทุบสีษะได้เหมือนกันด้วยการกระทําบาปของเรานี่องถ้าเราทําบาปใจของเราก็จะร้อนใจของเราก็จะทุกขึ้นมา ถ้าเราไม่ทำบาปใจของเราก็จะเย็นใจของเราก็จะสบายดัยงนั้นขอให้เราพยายามรักษาศีลห้ากันให้ได้ถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็ให้เพิ่มรักษาศีลแปดต่อไปเริ่มต้นที่วันพระหรือวันที่เราหยุดทำงานไม่ต้องไปทำงานอยู่บ้านหรือไปอยู่วัดไปรักษาศีลแปดกัน ก็เราจะได้หยุดความอยากเพิ่มอีก3ข้อด้วยกันคือการหยุดการอยากร่วมหลับนอนกับผู้อื่น 2. หยุดความอยากที่จะหาความสุขจากการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มต่างๆแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเราจะรับประทานเราจะดื่มพอประมาณดื่มเพื่อความต้องการของร่างกาย แต่ไม่เดือเพื่อต้องการเพื่อความต้องการของความอยากถ้าเป็นความอยากแล้วมันจะอยากอยู่เรื่อยๆรับประทานไปไม่ไม่นานก็อยากรับประทานอีกแล้วทั้งๆที่ร่างกายนี้ได้รับอาหารพอเพียงแล้วถ้าเรามาถือศีลแปเราก็จะกำหนดเวลาห้ามไม่ให้รับประทานเช่นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอแล้วเรื่องอาหาร ร่างกายได้อาหารพอเพียงเวลารับประทานก็รับประทานให้มันเต็มที่ไปเลยไม่ได้ห้ามคนที่ถือศีลแปนี้รับประทานอาหารปริมาณเท่ากับตอนที่รักษาศีลห้าได้เพียงแต่ว่าเอามารวมรับประทานกันทีเดียวไปเลยเหมือนกับเติมน้ํามันก็เติมมันทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยไม่ต้องแบ่งเป็นสามเวลาเติมทีละครึ่งถังมันก็ปริมาณของอาหาร ก็เท่ากันเราเคยรับประทานกี่ชามกี่จายก็เอามากินตอนเที่ยงนี่เลยกินให้มันเต็มที่ไปเลยกินเผื่อมื้อเย็นไปเลยเกินเผื่อมื้อข้าไปเลยร่างกายรับรองได้ว่าไม่ตายไม่ลัดไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเพราะมีผู้ที่รักษาสิลแปดรักษามา ก, กันเป็นจำนวนมากมายแล้วไม่มีใครปรากฏว่า เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปเพราะไม่ได้กินข้าวเย็นเลยแต่กลับจะเป็นคนมีความสุขใจมีความสบายใจไม่ต้องวุ่นวายกับการคอยอาหา ร, าหารมารับประทานแล้ววันไม่ต้องมาวุ่นวายกับการลดน้ำหนักเพราะรับประทานอาหารมากๆั่นกายมันก็เกินแทนที่จะมีรูปรูปร่างมีสวดทรงมันก็เลยกลายเป็นตุ่มไปพอกลายเป็นตุ่มก็เดือดร้อน ก็ต้องมาวิ่งออกกำลังกายเสียเงินเสียทองอีกแล้วก็เหนื่อยอีกโดยใช่เหตุเพราะกินมากเกินไปเพราะทำตามความอยากกินตามความอยากไม่ได้กินด้วยเหตุด้วยผลถ้ากินด้วยเหตุด้วยผลแล้วรับรองว่าจะไม่เดือดร้อนนี่คือการยุติความอยากเรื่องของการรับประทานแล้วก็ยุติความอยากการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย เช่นไปดูมหัศรสยไปตามสถานแหล่งบันเทิงต่างๆหรือไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามอันนี้ก็ยุติได้คนถือสีงแปดก็อยู่วัดอยู่บ้านอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตาให้สะอาดด้วยสบู่ก็พอหวีผ้าหวีผมก็พอไม่จำเป็นจะต้องเสริงสวยเสื้อผ้าพรก็ใส่แบบเรียบง่ายสีขาวสีดำ ตามสบายไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องวุ่นวายมาสร้างความสวยงามทางใจดีกว่านะทางใจก็คือทําใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะมีความเมตตากราุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่กับใครก็จะไม่ทําให้ผู้อื่นเขาเบื่อหนายเพราะเราไม่ไปสร้างปัญหา ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทำร้ายผู้อื่นแล้วก็มาหยุดความอยากที่จะหาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปถ้ากินมากก็จะนอนมากร่างกายมันถึงอ้วนอ้วนเพราะมันกินมากแล้วนอนมากถ้ากินน้อยแล้วนอนน้อยรับรองได้ว่ามันจะไม่อ้วนวิธีที่จะนอนน้อยก็ต้องนอนบนพื้นแข็งอย่านอนบนฟูกหนาหนา เพราะถ้านอนบนฟูกหนาๆมันจะนอนยาวถ้านอนบนพื้นแข็งนี้พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อจะรีบลุกขึ้นมาแล้วจะได้มามาอุดรอยรั่วขั้นที่สารต่อไปก็คือมาทำใจให้สงบมานั่งสมาธิมาสอนใจให้ฉลาเวลาใจสงบรอยรั่วก็จะถูกอุดไป ความสุขใจก็จะมีเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแต่เวลาออกจากสมาธิมารอยรั่วที่หุดไว้ก็จะรั่วใหม่ถ้าอยากจะรักษาไม่ให้มันรั่วก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจสอนคอยเตือนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากความอยากทุกชนิดคือสามชนิดนี้คือความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ําอยากรวย ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นความอยากที่เราอย่าไปทามันเพราะทำแล้วมันจะทำให้ใจเราทุกข์ไม่ใช่ทำให้ใจเราสุขถ้าเราทำใจได้ยอมอยู่กับความโศดได้ยอมอยู่กับความแก่ได้ยอมอยู่กับความตายได้ยอมอยู่ตามสภาพของเราตามมีตามเกิดได้ใจของเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆใจของเราจะมีความสุขไปตลอด ถึงแม้เวลาจะแก่จะเจ็บจะตายก็มีความสุขเหมือนกับไม่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายแต่อย่างไดเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายและใจไม่ไปยุ่งกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายปล่อยให้ร่างกายเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเหมือนกับเราปล่อยคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ไปคิดว่าเขาเป็นของเรานั่นเอง แต่ภาาของใครค น, คนใดเป็นของเราขึ้นมาเวลาเขาเป็นอะไรนี้เราเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเพราะความหลงเพราะไม่คอยดูแลรักษาใจไม่คอยควบคุมความอยากปล่อยให้ความอยากสร้างความทุกข์ให้กับเรานี่แหละคือวิธีของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามาดูแลตัวเรากันมาสร้างที่พึ่งขอให้กับพวกเรากัน สร้างที่พึ่งด้วยการอุดรอยรั่วของใจสามรอยด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าเราทำได้เราจะมีที่พึ่งทางใจใจของเราจะสงบใจของเราจะสุขไปตลอดจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ดีหรือกับร่างกายของผู้อื่นก็ดี เพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวของเราไม่ใช่เป็นตัวของใครทั้งนั้นเป็นเพียงอาการ32เป็นดินน้ำลมไฟที่จะต้องสลายไปในที่สุดนี่คือวิธีดูแลตัวเรารักษาตัวเราด้วยการทําทานรักษาศีลและภาวนาขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพลิดพิจารณา และปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนกรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็งกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระ โดยทั่วหน้ากันเธอ